อย่างนก็เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะควเป็นพูชศสนาจากสิ่งที่เราได้กระทำการสักการะถูกถ่ายทอดไปถึงคนรุ่นหลังได้รับสรางว่าโค์ภระีมหาโพธินี้จึงเหมาะหรือควรค่าแก่การสักการะยิ่งกว่าวัตถุอย่างอื่นวัตถุอย่างอื่น แม้จะเป็นวัตถุที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเหลนะ่านั้นไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีคุณค่าต่อพระพุทธเจา้าเหมือนดั่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ให้ล่มเงาให้ที่พักพิกีที่อาศัยเป็นที่แต่สรู้ ไ, ม, ไ, ม, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไม่้มีคุณค่าต่อพระโอษฐ์นั่นหมายถึงว่าวัตถุใดก็ตามที่ไม่ได้มีมีคุณค่าต่อผู้ทองโอษ์เลย ถูเหล่อนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ควรค่าแก่การศาสนาคือไม่ได้อุ้มเอืประโยชน์เพราะว่าศาสนาเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากการตัดสรุปของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าะการตัดสรุปของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าความที่โพ์ทรงดีกเล่นโดยลําพังตัดสรุปโดยลําพังแล้วไข่ครวรโดยลําพังสิ่งในระหว่างที่ไข้ครวรโดยลําพังนะะั้นสิ่งที่เกื้อกูลต่อพระองค์มากที่สุดก็คือพระศีลมหา ล่มเงาทั้งที่พักทิงนั้นป้องกันเพราะว่าตนา้นพืชสีะหาโพธิ์ออกไปนี่ปกคลุมเป็นล่มน้อยขององค์เป็นอย่างดีทำจิตขององค์ให้ตั้งมั่นได้ถ้าไปนั่งกลางแดดพระองค์จะไม่ตั้งมัน่นนะป่าป็นร่มับพระองค์ใหญ่ใหญอยู่ในพระชสีมาพิธีคือพระองค์ทรงทร ง, ทรงพยายาชี้ให้เห็นถึงคุณค่าคุณค่าที่พระองค์ได้ตัดสรู้ด้วย แม้จะเป็นต้นไม้หรือภาพที่เราเห็นก็คือการกากใบต้นไม้ก็ตามภาพเหล่านั้นมันก็เป็นมันเป็นภาพที่แสดงออกภายนอกแต่คุณค่าคื อ, คอเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นไม้ที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ต้นเดียวสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตลอดทั้งชีวิตไนดะ้โดยเฉพาะคณะแห่งการตารัสนระู้นั็ น, เ ป, นเป็นแบบแผนอย่างดีเลยว่า พวงตัดสู้แบบไหนอย่างไรเรื่องราวตรเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจำแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปไม่ใช่ว่ามาสักกะละอยู่เพียงอะไรไม่รู้เขาเขาสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตรกรรมใหม่ยุบหลังๆมาหนิร่าปปงปลุกเสกขอกทั่วโลกโอ้ยที่สุดในโลกเลยไม่อำนวยประโยชน์ของพระเจ้าไม่แต่สักสักหน่อยหนึ่งเลยเกี่ยวมิจเกี่ยวกับการตัดสู้ของพระเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้น การที่วงทรงบอกว่าพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดุจดังนี้พระโธองค์อยู่ก็เท่ากับวงทรงชี้ให้เราได้เห็นนะเพราอะไรคือการเกิดการสักการะมันจึงทําให้เราได้แยกออกได้มาก ส, ส่วนของศาสนาที่พยายามบอกสอนให้เราขึ้นปฏิบัตินะันเป็นส่วนไหนเราสามารถยึดเอามาเป็นข้อปฏิบัติได้ส่วนไหนที่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติเราก็สามารถวางแล้ะทิ้งแล้วก็ไม่เอามาเป็นข้อปฏิบัติในศาสนาศา ส, สนาเราก็จะเหลือแน่ สิ่งที่เป็นหลักคำสอนร้วนแก่สามไม่มีอะไรมาเกี่ยวพนนะแต่เนื่องี๋ย ว, ว่าคนในศาสนาทุกวนันนี้มันแยกไม่ออกอะไรคืออะไรแยกไม่ออกยึดยึดก็ยึดไปทั้งหมดอะไรจะพึ่งพาได้คุ้มครองได้ช่วยเหลือได้เอาหมดแม่ตะเคียน แสนนี้ก็ตามหรืว่าผานาสุทางอีกก็ตามที่จะทํากันในวันที่29สฤษภาคมเนี่ยคือการสร้างต้นแบบไว้ให้เห็นคุณค่างต้นภาษีมหาโพธิ์นี่ยิ่งกว่าวัตถุอย่างอื่นนะมันเป็นการเชื่ชูการสักการะภาษีมหาโพธิและเชื่อชูต้นภาษีมหาโพธิเป็นไม้ก็ถือเท่ากับเป็นการเชื่อชูพระเจ้าแล้วก็เชื่อชูศาสนาเพราะว่าหากเราจะถ่ายทอดเรื่องเราผ่านภาษีมหาโพธิ เรื่องราวของพระเจ้าหรือธรรมะที่องทรงตรัสรู้นีมันเป็นสาระขีดสารอยู่ในนั้นหมดเลยเราสามารถปึงมาถ่ายทอดได้หมดเลยแต่วัตถูเราเปลี่เราดึงมาถ่ายทอดไม่ได้เลย่ันก็มนไม่มีความสาคัญกับตัวพระองค์แต่ว่ากันใดใช่ไหมละ่ะ<ม>นี่แหละพระเจ้าความเดี่ยวโยงหรือความเชื่อมโยงของศาสนาที่เรานับถืออยู่ดแล้วมาจากการตรัสรู้ภายใต้ภระสีมหาโพธิ ความสําคัญยางนีไปร่วมงานก็คงจะมีกลุ่มที่ดอยเนี่ยโยมที่ดอยนี้นพวกเราด้วยเร่ีสิบสามปางปางค่ะเินไปโจมจริงจริงก็อยู่หลังดอยเวงเกี่ยนนะแต่ถ้าเดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์ที่เขาท สิบถึงห้าสิบกิโลแต่แตถ้าเดินข้ามดอยก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลยน่นกนได้ขนาดนันหลังดอยหลังดอยเดียวรัเกียร ข้ามลอยไปจะเอาไหมล่ะเคยมีเคยมีการตั้งอะไรเดินลอยกันใช่ไหมจำได้ไหมมีประมาณสิบกว่าคนมาแ่งพางข้างนั้นอ่ะโอ้ตอนแรกก็นคึกกันดีอยู่ยังทุกอย่างเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหรจะไปพอพอบรบายมาเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้กลับใันที ก็มอยู่สองครั้งภายยงเดินครั้งแรกสุดก็คือปีใหม่ปีใหม่ของปี59 550ประมาณปี50ประมาณ50หรือ51เป็นนอนค้างอยู่บนดอยนั่น่อามันวัมันเดินไม่ถึงนะวันเดียวเยอะคนเยอะมันต้องรอกันเดินเลยถึงก็เลยได้นอนกลางรอยเลเจกนเย มันขึ้นลง ภาวนาไม่ต้องใช้ความคิดเหมือนกันเนาะใช้ความรู้กันด้ใช้ความคิดก็ได้ถ้าใช้ความรู้มันก็จะรู้อยู่แต่ถ้าใช้ความคิดมันก็จะลึกซึ้งลงไปอีกมันใช้ประกอบกัน มาคิดลึกจนเดินไปบิณนาบาัดกลับจากวินนาบาัดฉันอาหารบิณนาบาัดเลิกจากฉันอาหารก็ยังคิดอยู่ฉันอาหารก ล, กลับจากฉันอาหารบินนบาดก็ยังคิดเดินจงกรมหลังจากบินฉันอาหารเสร็จก็ยังคิดเดินจงกรมเสร็จมานั่งทักก็ยังคิดอ้าําทําไมมันคิดไม่หยุดปฏิสูบะไม่ทําไมมันไม่หยุดคิดสักทีคําว่าไม่หยุดคิดนั้นหมายถึงว่า <c oughs> มันพยายามจะหาคําตอบหรือว่าความรู้ ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยปฏิสุปบาทเป็นยังไงแต่ความรู้ถึงที่สุดของปฏิสุปุปบาทอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยป้ากนว่าหาที่สุดไม่ได้เลยปฏิสุปบาทหาที่สุดไม่ได้โอ้โหทําไมปฏิสุปบาทนี้ลุ่มลึกดีเหลือเกินลึกจนจนความคิดของเรานีพยายามหย่างลงไปหย่างลงไปทั้งหย่างทั้งความคิดทั้งความรู้่เนี่ยนหะย่างลงไปเพื่อจพิจรารณาให้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุด ก็เลยได้วางวางทุระในการพิจารณามันก็หยุดแล้ก็มารับรู้รับทราบเขาว่าปกติเ<ม>พราะรู้ว่าปัติจัสมงบากไม่สามารถยังถ่งหรือด้วยสาวูพิสัยไอ้รู้นะรู้รู้เหตุรู้ปัจจัย ร, รู้นะรู้เนี่ยหมายถึงว่าถึงที่สุดของมันที่สุดของกระบวนการปฏิสุบะไม่มีเพราะ เราพี language, language. Language. Ite, ่นาไปตรงจุดไหนก็เป็นปฏิจจสมุปบาทหมดเลยทุกจุดแล้วที่สุดมันอยู่ที่ไหนนม่ได้หนึงขณะที่คิดก็ยังเป็นปฏิจจสมุปบาทการใช้ความคิดหนึ่งความคิดก็ต้องเกิดองค์มาจากปฏิจจสมุปบาทการเห็นการที่จะร้อยเห็นสิ่งใดได้ก็อาศัยปฏิจจสมุปบาทการที่เราจะได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งได้ก็ต้องอาศัยปฏิจสมุปบาทการที่เราจะหายใจเข้าไปลึกหนึ่งได้อาศัยปฏิจจสมุปบาท จู่ๆลมหายใจจะวิงะ่งเข้ามาในในรูจมูกเราเลยได้ไหมเห็น <c oughs> <c oughs> ปัจจัยปฏิสูบาท่านนั้นเ <c oughs> ส้นผมเส้นหนึ่งจะเกิดอยู่วลสีสนันมาได้ก็ปฏิสูบาบางคนบอกปฏิสูบาทต้องโนโนอริชาปัจญาสร้งางค่าละอันนั้นก็ใช่อันนะอันนั้นคือส่วน น, นั้นอนนัคือส่วนปฏิบัติใช่ส่วนที่เราจะแก้ไขกินแก้ไข รู้เรื่องอะไรของมันนะครับใช่แต่หมายว่าเราจะพยายามพิจารณาอย่างลงไปให้ถึงที่สุดบางทีพิจารณาเห็นทอย่างเอาว่พิจานาเส้นหญ้าต้นไม้ก้อนเบกภูเขาดวงดาวดวงจันเรับมาพิจารณาหที่สุดของปัจจุบันไปที่ไหนไม่มีมันลึกมากแม้แต่ความรู้รู้ในขณะหนึ่งที่ขณะแห่งการรู้ก็คือปฏิสธ ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นพุทธวิสัย<ม>วิสัยของพรุทธเจ้าสาววิสัยนี่รู้เพื่อนำมาแก้กิเลสได้ทำลายอาสวะให้สิ้นได้<ม>แต่จะรู้แบบถึงที่สุดนี้ยากมากเพราะเคยเคยพิจารณาอยู่ครั้งหนึ่งมันไม่ถึงสักทีอาจจะขี้เกียจก่อนก็ได้ม <laughs> เลยเลยอยุ่ที่จาะานะทำไมถึง มันไม่ถึงที่สุดพี่นาไปตรงไหนก็หาที่สุดไม่ได้มันก็เลยวางวางการพิจารณาพอวางกาพี่นาก็มันก็กลับมารู้ภาวะปกติก็สรางเข้าใจถามว่าพี่นาต่อได้ไมันได้แต่ที่สุดไม่เห็นเพราะเรารู้อะไรในขณะที่เรารู้ในขณะที่รู้นะั่นขณะที่พิจารณาแล้วรู้รู้นะัความรู้นั้นก็เป็นปฏิสุบะต์ขึ้นมาแล้ว แล้วเมื่อเรารู้ขนาดที่จิตที่รู้บ้าความรู้นี้เป็นปฏิสุปปะอันนั้นก็เป็นปฏิสุปปเนี่ยมันจะต่ออย่างเงี้ยเข้าใจไหมมเข้าใจปฏิจจสมุปปปฏิจจะไม่ว่าอาศัยมันมาจากสัมปฏิจจสังุปาะ รู้ความปฏิจจสมุปปาทธาปฏิจจสมุปปาบานภาษาไทยปฏิจจแปลว่าอาศัยสังแปลว่าพร้อมอุปาทาแปลว่าเกิดอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเขาว่าอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมหมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันกายเราต้องอาศัยดินน้ําไฟลมเกิดขึ้นหรือประกอบกันขึ้นพร้อมกันจึงจะสามารถดำรงอยู่ได้ขาดลมหายใจอันหนึ่งอยู่ได้ไหมไม่ได้ มันมั น, ม, นมันอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันมันไม่มีอะไรตั้งอยู่โดดๆได้อย่างเดียวในตัวของมันเนี่ยปฏิสุปบาท พ, พี่เจ้าบอกว่าเมื่อไม่รู้จักในในความหมายปฏิสุปบาทที่พี่เจ้าทรงตัดสอนเนี่ยแตกต่างจากความหมายของคำว่าปฏิสุปบาทที่กําลังพูดถึงแต่ความรู้เรื่องของปฏิสุปบาท ว, ว่าเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เข้าใจพื้นฐาน ของปฏิสุบะที่พู้เรียนกำลังกําลังสอนให้พวกเราได้เข้าใจว่าเพราะความไม่รู้จึงเกิดแบบใจใ้เกิดสังขารความไม่รู้ที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่เองมันจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่จะโยงไปโยงไปเป็นห่วงโซ่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่ในพื้นฐานของเขาแบบปฏิจจสมุปบาททั่วทวไปก็คือสิ่งทั้งหลายท้งปวงทั้งรูปธรรมและนาํามธรรม ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยอย่างอื่นกันเกิดต้องต้องอิงอาศัยกันเกิดมันถึงจะเกิดมันถึงจะเป็นไปได้ถึงจะสามารถร <c ười> ับรู้รับทราบกันได้ในแต่ละขณะครั้งหนึ่ง <c ười> อย่างที่บอกว่าหูจะได้ยินเสียงก็ต้องอาศัยเห็นมีหูอย่างเดียวไม่มีเสียงก็ไม่ได้ยินมีเสียงอย่างเดียวหูวมีอยู่แต่มันไม่สามารถรับเสียงได้มันเสื่อมไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิน เันทุกอย่างอาศัยกันเหตุปัจจัยที่มาก่อตัวกันกระทบกันแล้วกอเกิดเขเรกว่าปฏิจจังเพราะปฏิจจจะมีอยู่ที่โพลทรงตรัสสอนจะมีอยู่สองส่วน mm hmm. ส่วนเหตุเขาเรียกว่าสมุทัยวนันส่วนส่วนดับเขาเรียกวันนิโรบันทั้งสองส่วนนี้โพลทรงพิจารณาใต้ภาษีมหาโพธิ มาธิโก่อนตัสรุนพินายสองส่วนเนี่ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปเรียกว่าอนุโลมและปฏิโลมพ่นายย้อนกลับมาย้อนกลับไปอยู่จนเกิดการบรรลุสมาสมโภที่าัเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เราจะต้องทำควาเข้าใจการที่เราได้รู้จักปฏิสูบาทคือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น มันจะช่วยทําให้เราแยกแยะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้กิ่นลิ้มก็สัมผัสและสิ่งที่กระทบทางแกจแยกแยะออกได้ว่าสิ่งอะไรทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้มีตัวตนของมันด้วยตัวของมันเองแม้แต่สิ่งที่เรารู้รู้อยู่ในเวลานี้ก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยตัวของมันเองสิ่งที่เราคิดอยู่ในเวลานี้ไม่ได้มีตัวตนด้วยตัวของมันเองมันอาศัยอย่างอื่นเกิดเราจะคิดเรื่องต่างๆได้เราก็ต้องมาจาก สิ่งที่เราเคยเรียนรู้เห็นไหมมาจากเรียนรู้มาจากการทรงจํามาจากการสิง่งที่ประสบพบเจอมาทั้งนั้นเราถึงสามารถคิดถึงสิ่งบบต่างๆต่าเพราะมันอาศัยมูลเหตุทั้งหปวงพระพุทธเจ้าจึงจพยายามเราได้รู้จักสายรู้สายรู้คือเมื่อความดับไปโดยไม่เหลือของอวิชชาเขาว่ารู้นี่สายรู้หรือเ ตัวดำเอวิชาอาวิชานีา่เป็นสายของความไม่รู้สายอะไรกันนี่สมุทัยวานวารแล้วว่าสายหรือว่าตัวเชื่อมโยงหรือว่าห่วงโซ่สายผูกโยงเมื่อไม่รู้เกิดขึ้นจึงนํามาสู่สังขารสังขารถ้าเราพูดทั่วไปก็คือที่เราเข้าใจกันในคนหมทั่วไปกายสังขารหรือว่าสังขารร่างกายเราแต่คําว่าสังขารในความหมายของวิชาคือ ท, ทุกสิ่ง ทุกสปสี่ทั้งหมดเลยในโลกประทาทเนี่ยคือสังหารทั้งที่เรารับรู้รับทราบได้แล้วก็รับรู้รับทาบไม่ได้ทั้งหมดก็คือสังหารถ้าเกิดว่าเราหาเหตุตัวต้นเีทั้งหมดเจอความหังไ ป, ไ ม, ป ม, มันเกิดมันจะเป็นทำนองว่าเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความไม่รู้เนี่ยว่าเป็นตัวก่อให้เกิดสังหาร หมายถึงว่าสังขารเอาสังทั่งถ้าเราจะพูดถึงสังขาระโลกสังขารละโลกคือโลกคือสังขารหมายถึงว่าโลกนี้ก้อนโลกนี้ทั้งใบคือการปุงแต่งโลกหรือว่าการประกอบกันของโลกสังขารโลกนี้คือมีก้อนโลกมีดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ต้นไม้ภูเขาอย่างเงี้ยคือคือเรียกว่าสังขาระโลกหรือว่าอุตุฤดูแต่ละฤดูกาน เป็นร้อนหนาวฝนอะไรพวกนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นกระบวนการของสังขารแต่กระบวนการของสังขารเหล่าเนี้ยมันไม่ได้มีทุกไม่ได้ก่อทุกการไปรู้จักสังขารเหล่านี้มันยังไม่ชื่อว่าเป็นการาก่บทุกแต่พระเจ้าบอกว่าสัางขารที่จะเป็นไปเพื่อการก่อทุกหรือเป็นตัวทุกเน αι, ่ยพระองค์บอกว่ากุศลส like ังขารอกุศลสังขารมันเป็นไปเพื่อกอ่กพอพราะเราไม่รู้ตรงเนี้ย เพราะไม่รู้จึงเป็นกุศลสังขารและอกุศลสังขารไม่รู้ในไหนก็ไม่รู้ในสังขารนั่นะมันจึงเกิดเป็นกุศลและอกุศลขึ้นดินน้ําไฟลมมันไม่ได้เป็นกุศลอกุศลต้นไม้มันไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ทําไมกุศลกับอกุศลทำไมมันมีอยู่กับตัวเราขนาดที่คิดดีก็เป็นกุศลขนาดที่คิดไม่ดีก็เป็นอกุศลทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ในเมื่อต้นไม้มัน มันก็ไม่ได้เป็นไโดยธรรมชาติทั้งหมดมันก็เลยไม่มีทุกข์ทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีพุกที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในความหมายของงูใ่ทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีแต่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายไหมเขาตายจนไหมเขาตายไปแต่เขาไม่มีทุกข์แต่มนุษ ย, นย์เวลาแก่เจ็บตายมนุษย์จะมีทุกข์กนี่แหละพระองค์จึงบอกว่าเพราะไม่รู้ในสังขารนี่แหจึงเป็นเป็นสังขารสื่อต่อ ไม่รู้ไม่รู้ในสังขารคือกุสนสังขารอกุศลสังขารเขาบอกกูสนสังขารอกุศลสังข า, น, า, ส น, สงขา น, นั่นแะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทําบุญโดยที่เราไม่รู้มันก็นําไปสู่ภพชาติแห่งการเกิดที่อยู่ในวงจรของทุกอยู่หมายถึงว่าบุญนําไปสู่เทวโลกหรือพรหมโลกยังทุกอยู่ไหมล่ะยังอยู่ในวงจรของความทุกอยู่ไหมล่ะวงจรอยู่ไหมล่ะเป็นวงจรคือการเลียนไหว้เนี่ยบาปนาไปสู่อภัอ ย, ยภูมิ ก็เป็นวงกรขอความทุกข์หรือเป็นที่ที่ได้รับความทุกข์แน่นอนอยู่แล้วในสี่นั้ทีนี้เรียกว่าเอาแล้วรู้ยังไง ร, รู้ยังไงว่าทําบุญแล้วจะเป็นความรู้ในสังขารทําบาปแล้วจะเป็นความรู้ในสังขารการที่พระงทรงสอนอย่างนี้ไม่ได้หมายถความว่าเราเราจะต้องทําบุญอย่างเดียวหรือว่าเว้นเว้นบาปไม่ทําบาปเลยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้น การที่วงทรงตัดกุศลสังขารอกุศลสังขารในความหมายเนี่ยพวงทรงตัดเพื่อให้เราได้รู้จักว่ากุศลกับอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือของเราอยู่ที่เรายึดถืออยู่เพราะเราไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักจึงเกิดการสนทิเขาเรียกว่าสื่อต่อสนทิแปลว่าการต่อ <c oughs> แล้วตัวที่จะทำให้เกิดการต่อคือตัววิญญาณ จึงกลายเป็นปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณสื่อต่อเฉพาะเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะในตัวของวิญญาณเพราะสิ่งที่เรารับรู้มันอาศัยวิญญาณเป็นตัวรับรู้วิญญาณแม้จะเกิดจะดับก็ตามแต่เป็นกา ร, รดับโดยการต่อต่อตัวของมันเองหมาเวลาเราทําบุญปุ๊บเกิดเป็นกุศลขึ้นมาเป็นกุศลสังขารปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลปั๊บจิตรับรู้ในส่วนที่เป็นบุญพอรับรู้ปั๊บเนี่ย มันก็สืบต่อบุญนี้ไปในภายภาคหน้าหมายว่าสืบต่อหรือส่งผลก็ต้องปฏิสนธิปิญญาทีนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้ า, จาท่านทําบุญแต่ไม่สืบต่อเพราะอะไรเพราะท่านรู้รู้อะไรก็รู้สังขารเนี่ยรู้รู้สังขารที่เป็นกุศลกับอกุศลรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหมายถึงว่ากุศลไม่เที่ยงเมื่อกุศลไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็เลย ไม่มีความเห็นผิดในตัวบุญว่าบุญจะเป็นตัวสร้างสุขให้ตัวเราได้อย่างแท้จริงเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ควรที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราถ<ม>ามว่าบุญดีไหมดีแต่ก็ไม่ควรยึดถืออย่างเงี้ยในความหมายเพราะบุญก็จะนํามาซึ่งประโยชน์บาปดีไหมไม่ดีนํามาสร้งโทษ ก็ไม่ควรยึดถือบาปบางคนก็บอกว่าบาปเนี่ยไม่มีใครอยากจะยึดถือหรอกแต่ทําไมมันได้มาใช่ไหมหรอมันได้มาอย่างไงก็ก็ไม่อยากจะยึดถือสักหน่อยบางทีเราทําบาปบางอย่างเชื่อไหมว่าเรานึกถึงบาปมันอยู่บ่อยๆได้แต่เวลาทําบุญเนี่ยกลับไปนึกถึงบุญบ่อยๆได้ทาไมเป็นอย่างนั้นเหตุไร ดถอบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวอวิชชาความไม่รู้ไงกแต่งบอกวอยให้บาปปงแต่งจิตไปนึกถึงมันเยนึกถึงมันนีมมวันอยู่ในี่อเนีเราก็ทำสิ่งดีๆมากมายแต่เราใช่เพื่อที่จาติตัดอนุสติสิทธิ์ให้เราลึกถึงต้องฝึกรลึกถึงรลึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีหใช่อนุสติสิทธิ์มีอะไรบ้างพุทธานุสติลึก ก็าเือกถือศีลที่ตนรักษาเราือกถือเทวดาว่าเทวดาเขาเขาจะไปเป็นเทวดาได้ก็ด้วยบุญกุศลก็ไม่ได้ไปด้ว ย, ยาการกราทบาปหรือเราลึอกอยู่ว่าเทวดาหลายเขามีอยู่ที่เขาย่อมสา ม, มารถเห็นก า, การกระทาอะไรบ อ, อย่างของเราในส่วนที่มันไม่ดีใน้กระทั่ความคิดอะไรบางทีเนี่ยเราเราเราอก จะรู้หรือไม่รู้ไปรู้ ไ, ไปหรือพวกเขากให้เราลึกถึงก่อ น, นว่าคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวราคืออะไรคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวราชคือฮีรีความไม่แก่ใจโพตับปาความเกรงกี่ยประมาณการลึกได้อย่างเนี้ยก็จะเป็นค่อยๆจะสร้างสติขึ้นมาเป็นคนกันแล้วการลึกถึงสิ่งดีสิ่งดีที่ไม่ได้อยู่บนพืนฐาตัวคุณนะคถึงความรูม้ ด, ดีถือว่าเป็นถือว่าเป็นส่งผ่ก็เป็นสิ การนึกถึงมันไม่ใช่การยึดมันนึกถึงเราก็มีความรู้อยู่ว่านี่คือสังขารอย่างหนึ่งการที่เราปล่อยให้ใจเราไปครุกอยู่กับสังขารที่เป็นอกุศลกับสังขารที่เป็นกุศลเนี่ยเราควรจะปล่อยไปทางไหนกุศลดีกว่าแต่ปกติแล้วสังขารที่เป็นอกุศลกับกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ใภัยของมันเองแล้วถ้าถ้าเราไม่ถึงแต่กุศลมันไม่เป็นการมาขับจังการนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่วงทรงตัดไว้มาก ทำไมเราจะต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นกุสนเพราะว่าจิตเรากระดุกดังน้ำมักจะไหลลงไปสู่ทางต่าำอยู่สเสมอคือมันเป็นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าจิตที่ไปนึกถึงอับปุสนนะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมโอมจึงพยายามสอนให้นึกถึงสิ่งที่เป็นปุสลบ่อยๆถามว่าบังคับไหมมันมันมันเป็นการสร้างสภาพนิสัยให้จิตของเราเนะ่ย ฝึกนวลเหนียวอารมณ์เพราะจิตมันมีธรรมชาติเมื่อไหลไปในสิ่งใดมันก็จะน่วลเหนียวสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารณหากจิตเรารู้จักการที่จะรู้จักฝึกนวงเหนียวอารมณ์ในทางที่ดีไหมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตเมื่อมันน่วลเหนียวในสิ่งที่ดีมันก็จะดึงสิ่งที่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้ไปในอารมณ์ในที่ที่ไม่ดีสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวโยงกับจิตดึงนวงเหนียวกับจิตก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่รวงทรงบอกว่า ระลึกอ่บ่อยๆถือว่าเป็นการบังคับไหมครับครั้งแรกในการฝึกก็ช่วว่าเป็นการบังคับพราะอาตมาเห็นคุณของการบังคับในระยะแรกแต่ในระยะต่อมาเราเป็นเรื่องเรื่องของปัญญาเนี่เป็นความเข้าใจนะเรื่องของความเข้าใจก็คือเข้าใจว่าเมื่อบุญหรือบาปกุศลหรืออุศลนั้นเป็นธรรมชาติษษษษษเกิดดับเราสามารถปล่อยได้ทั้งอกุศล ปล่อยได้ทั้งอกุศลแต่ปรากฏว่าคนทั่วไปปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ค่อยได้ <c oughs> จึงจะต้องอาศัยการระลึกไว้ก่อน <c oughs> เพื่อยกกิ่ให้เข้าหนุนเหนียวในอารมณ์ที่ดีแต่คนที่มีปัญญาเขาสามารถปล่อยอกุศลได้แบบพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านปล่อยได้อยู่แล้วท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช <c oughs> ้อานุสติเพราะท่านมีสติอย่างมั่นคงอยู่แล้วในการสลักอารมณ์พวกนี้สลักออก <c oughs> แต่คนต้องทั่วไปต้องอาศัยอาศัยการระลึก ไม่อาศัยการระลึกนี่นะเพราะสภาว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีธรรมชาติของการหวมเหนียวอารมณ์ไว้อยู่ถ้าไม่มีอารมณ์รวมเหนียวมันจะมันจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้จิตนี่นะแล้วเป็นไปไม่ได้ว่าจิตจะมีอยู่โดยที่ไม่มีอารมณ์รวมเหนียวไม่ได้จิตมีอยู่ตั้งอยู่ต้องมีอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะมันเป็นธรรมชาัยการเกิดขึ้นจิตไม่สามารถเกิดขึ้นมาอยู่แบบโดดๆได้เลย สมณธารามบางจําพวกที่ทําฌานสมาธิลงไปถึงขั้นงเดียวจิตเป็ น, เ ป, นเป็นอุเบกขาญาณจิตเป็นกลางอภยกตาจิตเข้าใจว่าไม่มีอารมณ์อะไรปรงแต่งเที่แท้แล้วอภยกตาจิตนั่นแหละคือเครื่องปรุงแต่งพราะมันจิตมันตั้งอยู่โดดไม่ได้ยังไงก็ตั้งอยู่โดดไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผ่านพระยเจ้ายังต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ ใช่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของจิตถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะให้จิตอยู่ยังไงจิตมันอยู่โดยตัวของมันเองไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในรูปก็อยู่ในเวทนาไม่อยู่ในเวทนาก็อยู่ในสัญญาถ้าไม่อยู่ในสัญญาก็อยู่ในสังขารถ้าอยู่ในสังขารก็อยู่ในวิยมมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยหรืออยู่ทั้งหมดในขาะเดียวกันก็ได้ ไม่งันมันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือจิตมันจะต้องมีอารมณ์ดวเหนียวอย่างได้อย่างหนึ่งก็ต้องเป็นพระรยาเจ้ากว่จะรู้ว่านิพพานยังไแต่การที่ทูตเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์หรือพระรยาเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านไม่ได้มีโดยการนึกหรือนะมันมีโดยอัพยาสายมันมันรองรับอยู่ในจิตอยู่เป็นอัคยาสายเป็นอารมณ์ตั้งมันอยู่ในจิต พอท่านปลาลนิพพานหลัก ร, รอบปับ๊บไออารมณ์ของนิพพานเนี่ยจึงทําให้จิตดับยุติการสืบต่อเท่านั้นเองพอจิตยุติการสืบต่อปุ๊บก็นิพพานคืออารมณ์นิพพานนั่นแหละคือที่ตั้งเมื่อดับคันแล้วล น, นมนุษย์เราเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์กุศลเป็นอารมณ์อกุศลเป็นอารมณ์หรือรูปเป็นอารมณ์ พิษุรูปหนึ่งอะมองเห็นจีวอจีวอคือรูปใช่ไหมก่อนใกล้ตายก็นึกอะไรในจีวอมาจีวอนของเรายัางยังยังไม่ได้ใช้เพิ่งตัดเสร็จมาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยตัวอีกก็อาภาณนึกหวงใยในจีวออะไรในจีวอนแล้วยังไม่ได้ใช้แลยจะมาตายก่อนแล้วอย่างนีพี่สุดท้ายก็ตายเนี่ยคือนนะพอตายเสร็จปับ๊บมีจีวอเป็นอารมณ์เป็นเป็นรูปรูปเป็นอารมณ์ ก็ไปปฏิสนธิในท้องของเลนเกิดเป็นเลนเกาะ อ, อยู่ในจีวรทันทีเลยพอจีวอนต่างไปก็มีเลนมาไข่อยู่ในนะั้นพอดีจังหวะที่เลนเกาะไข่อยู่ในจีวอนะจิตของพี่สุก็จุติอยู่ในท้องของเลนก็เกิดในบันนั้นหนงผ้าในตาไว้ข้างเพื่อดูอาตมาอยู่ในป่าอาตมาต่างไปอย่างเช้ามาอ๋อมีไข่มากเกาะเต้เลยหมดเลยรู้ไข่อะไร ไขสัตว์นะกเกิดเป็นสัตว์เลี้ยง้านที่มันมันไม่ยากเลยนะง่ายๆเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นคืนในตาผ้าไว้กลางคืนนี้นะมีไข่ตื่นเช้ามามีไขก่กเกาะมินปิป่าตอนที่ในปา่าเห็นชัดเลยอ๋อนี่เองที่ผูเลี้ยงบอกว่ามันเกิดกันง่ายๆกันขนาดนี้นะแค่แค่คืนเดียวเนี่ยตอนก็ตอนเราส่งน้ำเสร็จตอนเย็นๆนี้นะตากผ้าไว้เช้ามามีไข่สัตว์มาไขนะ เ, เล็กๆกว่าประมาณเจ็ดแปดใบติดติดกันเคยเคยเห็นไหมประมาณนี้นเหมือนกันทีนี้พระริยาเจ้ามี น, นิพพานเป็นอารมณ์พอมีนิพพานแล้วปุ๊บพอดับปุ๊บท่านยังไม่สงสัยหรอว่าดับแล้วจะไปไหนจิตท่านพระริยาเจ้าทุกทุกประมดชัน้นเลยใช่แล้วเกิดว่าคนทานสุข พระ เ, เจ้ทรงตัดไว้ชัดเจนว่าพระโสดาบันจะต้องมีทิฏฐิสมบูรณ์เรียกว่าทิฏฐิสัมปนโนมีความเห็นอนสมบูรณ์ความเป็นอนสมบูรณ์คืออะไรเห็นทุก <c oughs> เห็นเหตที่เกิดทุก <c oughs> เห็นความตกไปของทุก <c oughs> เห็นทางปฏิบัติที่เกิดความตกทุกนี่ของบุรุษชนแม้จะเรียนรู้อริยสัจสีเรียนเรียนรู้ทุกเห็นที่เกิดทุกความตกไปของทุกทางปฏิบัติที่ความตกทุกแม้จะเรียนรู้ก็ตาม แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แต่พระโสดาบันสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงรู้ไหมคือเห็นเลยไม่ต้องไปคิดเห็นเลยว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี่คือาาฐามปฏิบัติหนึง่งครับมันเห็นเป็นแบบธรรมาชาติเป็นนายาสายัยจริงจิงหรือว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาฮยอริยสัจ น, นี่เห็นสิ่งที่เกิดที่ดับก็คือจริงๆอริยสัจอย่างนี้นะแต่พูดในสออริยสัจในสองแง่ พออริสต์จริงๆเนี่ยย่นลงหรือแค่2อย่างคือการเกิดการดับสมุทัยเกิดนิโรธ ด, ดับแค่นี้เองแค่จะพูดถึงกันแบบแบบง่ายๆเกิดแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะดับแล้วก็คือดับทุกข์การรู้จักเกิดและรู้จักดับอย่างเนี้ยเรียกว่ามาเนี่ยทุกข์ก็คือมาจากสมุทยัยนี่ไหยล่ะนิโรธก็มาจากการดับของตัวทุกข์การรู้จัก การทุกข์รู้จักเหตุที่เกิดทุกข์รู้จักการดับทุกข์เรียบรอบมามันอยู่แค่นี้แล้วอะไรเกิดอะไรดับอ่ะก็อารมณ์เกิดอารมณ์ดับเห็นไหมรูปเกิดรูปดับเวทนาเกิดเวทนาดับสัญญาเกิดสัญญาดับสังขารเกิดสังขารดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับทั้งวันทั้งคืนดับเกิดดับเกิดดับอยู่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจะว่าทั้งวันทั้งคืนนี้ยังน้อยแต่เอาทั้งวันทั้งคืนไว้เป็นมาตรฐานในการกําหนดหมายก่อนจะมาบอกว่าเกิดดับทุกข์กับพิบตาย คนคนยังคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าบอกท่านวันนี้คือนี้เอยพอก็ะหม่ได้จริงๆได้เอกระพริบตาหนึงยังช้าอยู่นะลองกระพริบตาครั้งยิ่งเกิดดับไปรวดเร็วกว่านั้นระยะแห่งการเกิดการดับนั่นการเกิดดับนี้มากขนาดไหนสมัยนรู้ในเรื่องของอารมณ์รู้ทุกขณะก็อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เรารับทราบมาพี่นาลงสู่ขันมันอยู่ในขันไห ถ้าเรารู้ว่าอยู่ในขันไหนป้องเราก็จับอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งการกะหนดรู้ในขันว่าอ๋อนี่คือรูปประคันเวท น, นาขันสัญญาขันสังขันขันและวิญญาขันเราเราต้องมีความรู้เรื่องของขันเป็นพื้นยืนนี่แน่นอนแล้วว่าแม่ น, นเดียวถ้าว่ารู้อารมณ์อย่างเดียวได้ไหมได้แต่คนต้องปัญญาปัญญาแก๋ไก่ถึงจะสามารถเข้าถึงมาก พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราทมีขั้นต่อไปอีกไหมหรือว่าของัสดุธรรมไม่มีอยู่ที่ตรงนี้มันจะค่อยๆเป็นอนรมณ์ยานอริยสัจสเป็นพื้นยืนอยู่แล้วว่าพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาปฏิปทาเป็นชไหนสัมมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏิสัมมาสังกัปปะสัมมาปัญญาสัมมากรรมาสัมมาชีวะสัมมาวายะสัมมาสติสัมมาสมาธิมิจฉาปฏิปทาเป็นชไน ก็ว<อ>ิชาทิฏฐวิชาสังญป่าวิชาวาจาวิชากัรมฐานวิชาชีวะคือปฏิบรารับข้อปฏิบัติเมื่อพู้เรีว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้คือสามัญทิฏฐิมันก็ต้องเป็นไปเป็นอย่างอื่ไม่ได้ก็คือจะไม่เห็นใช่จิตจะลึกลงไปช่หากเราเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดำไปของความทุกเห็นทางปฏิบัติถึงความดำทุกแล้วย้อนลงมาเห็นอารมณ์เกิดเห็นอารมณ์ดับ โดยความเข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขนาดหนึ่งและดับลงไปขนาดหนึ่งนั้นพบอริยสัจ ส, สีนั่นคือความเห็นอันสมบูรณ์แต่ถ้าสมบูรณ์ในชั้นบุรุษชนคือสมบูรณ์ในชั้นของการเดินมาแต่สมบูรณ์ในชั้นของพระโสดาบันคือสมบูรณ์แบบเห็นแบบอัตโนมัติเลยคือไม่ต้องทำอะไรก็เห็นไม่ทําอะไรก็เห็นเห็นเลยเหมือนกับว่าไม่ต้องไปสะกดเขาว่ากก อ, ก อ, กอเลย๋ยกอไก่เหมือเด็ก คือเห็นก่ไก่ก็รู้ได้ก่อไก่เพราะไก่ก็รู้ได้ก็เหมือับว่าในธรรมชาตินุษต้องแบบพอสังเกตดีๆคอยบังคับที่จะต้องตั้งจิตสังเกตให้ดีๆพอตั้งจิตสังเกตดีๆแล้วถ้าเห็นได้ครั้งใดครั้งหนึ่งถ้าเห็นแล้วนะครั้งใดครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันจะมันจะเป็นธรรมชาติที่เรีกว่ารู้ได้ง่ายขึ้นแทบจะเรียกว่าไม่ต้องตั้งจิตตั้งใจเหมือนเดิม แต่ตอนแรกต้องตั้งจิตตั้งใจต้องรวบรวมสติรวบรวมสมาธิเพื่อที่จะดูนะคําว่ารวบรวมไม่ใช่ไปนั่งสมาธิเือตั้งใจที่จะดูอารมณ์ขนาดนั้นนั่นเลยจนเห็นมันเกิดระดับไปต่อหน้าต่อตาเกิดดับเกิดดับเกิดดับพ อ, พอต่อต่อไปมันทราบการเกิดการดับชัดกําหนดลักษณะแห่งการเกิดและกำหนดลักษณะแห่งการดับได้อย่างแน่นอนใจแล้วไม่ไม่ไม่มีสติหลงลืมแล้วว่าเกิดยังไงระดับยังไงชัดเจนอยู่กับการเกิดการดับที่มันมาสัมผัสกับจิตแล้ว มันก็จะเป็นการรู้แบบง่ายขึ้นโดยการที่ไม่ตั้งใจมากมือมันรู้แบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆพอสภาพหองการรู้อัตโนมัติไปเรื่อยๆมันจะมันจะลงลึกไปอีกในชั้นของการขณะที่เกิดสติแนบประกบภาพและกระดับพรอแล้วขั้นสุดมันยังมีอารมณ์แบบโกรธมีสิประสบการณ์ยิงละอารมณ์โกรธไว้ได้ไงอหเออใช่เนาะละแค่ได้ของความเห็นทิด โกรได้แต่จะโกรธยังไงก็ทําให้ไปสู่อบัยวะภูไม่ร่วงอกุศลดาคนจะเป็นจะตายก็ไม่ไปอบัยวะภูหรือดาคนจนจนตัวเองอะไรขาดใจตายก็ไม่ไปอบัยภูเพราะจริงสรดอวบอะไรพระสวด <c oughs> อวบ <c oughs> ท่านปิดอวัยวะภูได้อย่างเขามั สถานี้ก็เขาก็จะรูใ้ในจิตเขาเองว่าอ๋อจิตเขามีีมการเลืออล่องงุศงิดโมโหลังคาอะไรพวกนี้ก็จัดอยู่ในปฏิฆาในุสัยปฏิฆากับพวกจิตที่ก็ปฏิเสธที่ผักดันแสดงอารมณ์โกรธแต่ก็รวดเร็วแล้วนะเป็นอย่างรวด <ขา S 2> เร็วท่<ข>าที่จะจะดับได้ก็ทราบก็ทราบจากวิธีการเดิมในความรู้ใช้ชั้ชนโสดาบันก็จะเอามาใช้ในชั้น ชั้นนี้ว่ะอออารมณ์ที่เป็นทุกข์เียดที่เกิดทุกข์คือเราไม่รู้อารมณ์ที่เกิดนี้สมมติว่าอารมณ์โกรธก็จะอาจจะฝัอารมณ์โกรธคงไม่ได้โกรธนักปกติแล้วมันไม่ใช่โกรธแบบถ้าเป็นปุถุชนนะเรียเที่บปุถุชนนะโกรธจะมีการโกรธแล้วก็เลยเลยถิดไปถึงการระเบิดโศอาวมาแล้วก็ทหนักคืออาฆารพยาบาททหนักก็คือจองเวียนจองกรรม ชาตนี้กูไม่เห็นภัยชาติหน้ากูจะตามจองล้อันประเภทนี้คืออันนี้คือระดับปชชนนะระดับโดบัณโกรธโกรธจริงๆโกรธจริงๆงโหจริงๆอะไรแบบเหมือนกับบุรุษชนแต่ไม่พยาบาทไม่อาฆาไม่ไม่ไม่ถึงกับระเบิดโทสะออกมาหรือถ้าระเบิดโทสะออกมาก็ไม่ได้ทาอะไรให้เสียหายาเพราะว่าโสดาบัละลา้แพ่ชั้นสกัดยาพัสกาธาคามี ก็ในชั้นของการปฏิบัติโพสานก็เกิดเหมือนกันกับพระโสดาบันแต่การระเบิดโพสานจะไม่มีไม่มีเห็นจัดฟุ้งอยู่ในจิตจะฟุ้งอยู่ฟุ้งอยู่ฟุ้ง่ท่านก็รู้อ๋อนี่ทุกนี่เห็นที่เกิดทุกนี่ความรำคาญทุกพยาศาสตร์ก็ใช้หลักอรียสตรีเขาไปกำหนดอีกชั้นอนาคามีดับความโกรธแบบ ดับความโกรธแบบสกาาัดนาคาเมีได้แต่ยังมีความโกรธแบบนาคามีอยู่เทาไหร่ท่านี้สิ เ, เราเรียกมัน่ดับโรธอ่ะออแต่เขาไม่ได้เรียกว่าความโกรธแต่เป็นอารมณ์นั่นแหละคืออารมณ์ที่มันแสดงต่อขันหมายถึงว่าอาจจะเป็นผู้เรีง่ายๆอ่ะถ้าเป็นโสตบันอารมณ์โกรธกรกะทบปุ๊บจะต่ออารมณ์นั้น ไปจนกลายเป็นการระเบิดโธสัตจนต่ออารมณ์จนกลายเป็นพยาบาทจนต่ออารมณ์จนกลายเป็นการจองเวร น, นะพระโสดาบันเกิดอารมณ์ความโกรธปุ๊บต่ออารมณ์ไปในชั้นของการแค่ระบายโธสัออกมาแล้วก็ดับแค่นั้นเองไม่ต่อพระสกัดหาคามีกระทบอารมณ์เกิดอารมณ์โธสัขึ้นแต่ไม่แสดงออกทางกายวาจานันฟงอยู่ในจิตฝุงอยู่นั้น แล้วก็ไม่ต่อไปกว่านั้นดับอย่างนี้นะภานาคามีอารมณ์โพสะกระทบเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดเป็นอารมแล้วก็ดับปั๊บในขนั้นอ๋อไม่เกิดอารมณ์พระอรหันต์ก็มีมันมาตามกระแสของขันเข้าใจไหมขันพูดที่เจ้ายังโมโหให้พระเลยอ้อจริงจริงนะ ถ้ไม่โมโหพระเจ้าจะสั่งไล่พักเด้อแต่การโมโหก็ยังไม่ได eh ้โมโหแบบแบบแบบโมโหเขาไม่เรียกว่าเป็นโมโหนะอาจารยโมโหคือเป็นภาษาโลกอันโมโหแต่เราพูดถึงตัวอารมณ์อารมณ์มันต้องมีทุกๆุกอารมณ์คือไม่ว่าจะเป็นระดับโสดาบันสกทาคาณาคาหรืออรหันต์หรือระดับพุทธเจ้าก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่รับทราบไม่รับทราบคงก็คือเฉยไม่รับรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รู้อารมณ์บางทีเขาบอกอนุน้องเหนื่อย ท้องพวงยงเนื่อยอยู่เลยอานนท์เราหิวอานนท์เรากรหายอานนท์เราปวดเมื่อยหลังอานนท์เราจะเต้องมันขันเป็นอารมณ์ของขันแต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ขันแบบของขันเลยอารมณ์ของขันคือมันต้องแสดงออกมาปรากฏตามภาวะของมันแต่ใครจะต่ออารมณ์นั้นไปไหนไปสู่ภพหรือไปไปไหนอันนั้นก็คือสติที่มากหรือน้อยแต่พระเดเจ้าพระเดชจ้าท่านมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละมันจะเป็นตัวดับ อารมณ์เกิดปุ๊บ ก, กระทบนิพพานก็ดับอันนิพพานที่เป็นในจิตของท่านพบ๊ระดับก็ิดปุ๊บก็ดับแสดงว่าตัวที่ทาให้ดับตอนนั้นก็คือนิพพานใช่พราท่านดับการเกิดใน<ม>ในในหมายว่า <c oughs> ถ้าบุุรชนรับอารมณ์ปุ๊บจะต่ออารมณ์นะโสดาบันรับอารมณ์ปุ๊บต่อไปได้แค่เจ็ดถ้าโกรธก็จะมาเจ็ดเจ็ดขนาดแห่งจิต<ม>ก็ดับ<ม>นะ สกันาคามีก็จะหนึ่งขนาดของจิตก็ดับอนาคามีเกิดขึ้นมาเบาบางก็เป็นไปในขนาดเจ็ดเหมือนกันแต่เบาบางไม่ใช่ไม่ใช่โกรธแบบนั้นพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นมาปุ๊บพอสัมผัสกับที่พานในจิตของท่านก็ดับอารมณ์เนี่ยท่านมีท่านมีตัวดับอยู่ภายใ น, ในแต่บุรุษชนไม่มีตัวดับเียงแต่ตัวต่อบตอบตอบตอบ เพราะฉะนั้นพระสวดาบันจะโกรธแค่ไหนก็ตามต่อไปได้แค่ไม่เกินเจ็ดชาติสการามาคาเมจะโกรธแค่ไหนก็ตามก็ต่อไปได้แค่หนึ่งชาติอนาคามีจะโกรธแค่ไหนก็ตามก็ต่อไปได้แค่สุดท้าวทาห้าพระรหัสจะโกรธแค่ไหนก็ตามไม่ต่อมันดับหมดเลยเราต้องแยกธรามา ก, กิริยาของขันใี้ออ ก, อกหลายๆายคนจึงมามองกิริยาของดวงตามาหาปูาวาทําไมองค์ลวงตาที่ประกาศขึ้เอง ผู้ศรัทธาทำไมสแสดงกิริยาโมโ ห, หอย่างนาั้นดุดาว่ากล่าวกันไปยุ่งอะไรกับเรื่องเลตะการอะไรกันกิริยาของขันมันคนละเรื่องกันกับสาภาวะที่ท่านปฏิบัติบรรูุคนเขาไม่เข้าใจถึงขั้นนี้เขาก็คงจะมองแค่ผิวเผิน <laughs> ผมเคยเจอคนนก็ธรรมดาเข<อ>ายาก<ห>พูดเป<น>็เ น, นคิดเพราะ ศา <Yeah. laughs> ส, สนาเราต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาจริงๆต้องต้องถูกรับรู้รับทราบด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่เพียงแค่สายตามองถ้าไม่ใช้ปัญญาใช้แต่สายตามองก็จะได้รับรู้สิ่งที่เห็นนั้นตามความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆมันก็แค่การใช้ความรู้สึกตัวเองไปวัดคนอื่นไปวัดสิ่งอื่นถ้าเราเรียนรู้หลักคาสอนแล พ, พยายามพิจารณาไตรตองให้เห็นชัด รู้และ้อใจมันไม่มีอะไรสงสัยเลยมันจะตอบทุกอย่างเราได้หมดหลักคำสอนทางศาสนาธรรมะจะตอบเราได้หมดทุกอย่างาเอามาให้หมดนะที่เขาถามมานะ<อ> <c oughs> โยมนางนอนจเจริญพรโยมนางนอนกาเปียนถามพระอาจารย์ครับกายดับจิตดับอะไรที่นำครับพาไปสู่ภพชาติหรือคุณสมบัติของจิต แตกต่างกับคุณสมบัติของนิพพานครับกายก็ดับจิตก็ดับอะไรที่นำไปสอกภพชาติอะไรเพราะเนี่เหมือนกันกับที่บอกว่าบุญก็ดับอยู่แล้วเนี่ยหรอบาปก็ดับอยู่แล้วเนี่ยแล้วทาไมเราจะเอามานืถึงบุญอะอย่างเงี้ยคล้ายๆกันกายดับจิตดับแล้วอะไรเป็นตัวนำพาไปสู่ภพชาติ ประเด็นประเด็นนี้เราฐ า, านะของผู้นับถือศาสนาตอบประเด็นนี้ดูสิ่ฐานะของผู้นับถือศาสนาเอวิชาที่ที่ที่เราเข้าไปในเรื่องของกายเรื่องของจิตนะคะถูคุณน้องตอบได้ดีวความไม่รู้นะทุกสรรพสิ่งมันเกิดมันดับโดยตัวเข้ามันอยู่แล้วนะกายดับจิตดับ เพราะความไม่รู้ในการดับของกายของจิตอย่างแท้จริงแล้วความไม่รู้นี่แหละที่จะนําไปสู่รพชาติไม่มีอย่างอื่นเลย<ม>แล้วถามว่าความไม่รู้เกิดจากไหน<ม>เกิดจากจิตใช่ไหมความไม่รู้เกิดจากไหนเกิดจากจิตหรือเกิดจ<ม>ากจิตอ้าวถ้าเกิดจากจิตจิตดับ ความไม่รู้ก็ต้องดับไปด้วยคืนย อ, อนันส่งต่อค่ะถูกต้องมันส่งต่อจิตดวงใดที่มีความไม่รู้ติดอยู่เมื่อดับลงไปก็ยังส่งความไม่รู้ต่อจิตดวงอื่นที่เกิดขึ้นมารับใหม่ <c oughs> ความไม่รู้จึงยังคงอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดก็ตาม ท, ที่จิตดวงดวงที่ไม่รู้นั้นถูกอบรมสั่งสอนให้เกิดรู้ <c oughs> ความรู้เข้าไปแทรกความไม่รู้และก็ขับดันความไม่รู้ออกไปจากจิตดวงนะั้นดวงที่ดับไปนั้นก็ ด, ดับไปด้วยความรู้ แล้วความรู้ก็จะถูกส่งผ่านต่อจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมา mm hmm. ก็ออกมารับคุณสมบัติของความรู้นี้ mm hmm. เมื่อความรู้นี้เกิดปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้ที่ดับดับๆๆบดับดับดั บ, บก็เหมือนกับได้ฟังสั บ, บันก็เลยเจ็ดชาติใช่ mm hmm. ดับครบชาติที่แปดอย่างเท้าวอลเท้าบ อ, าบอเลยนะไม่ได้ไปภพชาติที่แปดอีกหมายถึงว่าจะเกิดจะตาจะเกิดจะตาจะเกิดจะได้ก็ออกไปได้แค่เจ mm ็ด hmm. ลาสิชินตีนถามว่าอุปทานกับขันเป็นส่วนเดียวกันไหมครับจะพูดเป็นสองส่วนนะในแง่ของอุปทานนะจะพูดเป็นสองส่วนในส่วนทีเ่เกิดในห่วงโซ่ของปฏิจจสมบาตคืออุปทานที่มาจากตันหาตันหาเราก็ต้องเข้าใจนะตันหาคือบรรดาขันทั้งหมดลูกเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณคือขันนั่นแหละคือตัวตันหา เพราะปัญหาจะแสดงออกมาได้ก็ต้องอาศัยขันอาศัยรูปแสดงอาการแห่งความอยากอาศัยเวทนาความรู้สึกที่ใจอยากแสดงสัญญา จ, จดจําในสิ่งที่อยากสังขารคิดในสิ่งที่อยากแล้วก็วิญญาณรับรู้ในสิ่งที่อยากคือมันปเป็นเรื่องของขันทั้งหมดเมื่อเป็นเรื่องของขันทั้งหมดอุปทานในขันเนี่ยทือว่าอยากแล้วยึดเนี่ยยึดคืออุปทานตัวเนี่ยเขาเรียกว่ายึดในขัน อุปทานในปฏิสุปบาทจึงเป็นการยึดในขันนะส่วนอุปทานขันคือขันเป็นอุปทานในตัวของมันไม่มีผู้ยึดอุปทานยึดคือขันยึดตัวของมันเองขันยึดตัวของมันเองได้ยังไงก็รูปประขันเนี่ยดินน้ำไฟลมยึดอยู่การเป็นการรวมรวมกันอยู่เป็นการคือการยึดโยงของมันเองเจ้าอย่งอันนี้เรียกว่าอุปทานขันอุปทานขันคือขันเกิดการยึดถือด้วยตัวของมันเอง อุปทานขันอุปทานขันนั้นไม่ใช่กิเลสเป็นทุกขสัจจ์แต่อุปทานในอุปทานขันเป็นกิเลสคือไปมีอุปทานในอุปทานขันตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นหากเรารู้จักขันโดยความตามความเป็นจริงเราก็จะทําความเข้าใจอย่างนี้ที่พระยอทรงสอนคือให้เราสอนให้เราอย่าไปอุปทานในอุปทานขันอุปทานขันมันมีอยู่แล้ว มองแล้วเห็นกันอย่างเงี้ยคื อ, อประทานขันพูดแล้วได้ยินเสียงนี่คื อ, อประทานขันขันมันยึดกันเอายึดเสียงเอาเอาเองแล้วส่งผ่านความรู้ไปหาจิตจิต ก, ก็ยึดในการรับรู้ในเสียงนะโดยด้วยตัวของขันเองแม้เราจะไม่ไม่รู้เรื่องก็ตามแต่ขันทําหน้าที่มาดีหนาวก็คื อ, อประทานขันร้อนก็คื อ, อประทานขันนะชใช่สิ่งเหล่านี้เป็นประทานขันไม่ใช่กิเลส มีคนมาด่าแล้วเกิดความโกรธก็เป็นอุปทานขันคืออุปทานขันมันจะสร้างความโรกรธขึ้นมาเอง ode. มันเป็นเรื่องอุปทานขันแต่ถ้าเราไปโปรกรธต่อจากความโกรธที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอุปทานในอุปทานขันพอจะเข้าใจไหมใช่เ yeah. พราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอุปทานขันความหิวคืออุปทานขันความวุ่มคืออุปทานขันไม่ใช่กิเลสนะมันมันเป็นเรื่องของอุปทานขัน ห <New S 2> ิวความขี้เกยียจก็เป็นอุปทานขันแต่แต่ถ้าขี้เกยียจต่อขี้เกียจถ้าไปขี้เกยียจต่อจากอาการแห่งความขี้เกยียจที่เกิดขึ้น อ, อันนั้นเป็นอุปทานในอุปทานขัน <c oughs> เอาเอาถ้าขี้เกยียจ <c oughs> ขึ้นมาครั้งหนึ่งปุ๊บถ้าเรารู้มันมันก็จะดับใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้าเราไม่รู้มันปุ๊บเราก็จะไปมีขี้เกียจในความขี้เกียจอีกใช่เราจะมีแต่ก็จะนอนหลับ แยกออกไหมออกอ่ะโ okay. oh. oh. อเคทันทีโอเคอะวิชาเกิดตอนไหนดับตอนไหนครับอวิชาเกิดตอนที่ไม่รู้ครับแล้วดับตอนไห น, น, นไ <c oughs> คําว่าดับมหมายถึงดับดับในส่วนของที่เขาถามมาเราต้องขัดแยกงออนะอวิชาเกิดตอนไหนดับตอนไหนจริงจริงอวิชามันเกิดมันดับอยู่แล้วใช่ไหมคือ เรามีความไม่รู้อยู่แล้วมันก็เกิดอยู่แล้วมันก็ดับอยู่แล้วดับไปตามอาการของขันขนันมีความไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าดับตอนไหนครับคําว่าดับหมายถึงว่ามีการสร้างเหตุปัจจัยเข้าไปดับหรือเปล่าหรื อ, อยังไงถ้าพูดถึงดับถาวรก็คือสิ้นไม่ไม่เราจะพูดเป็นสองแง่นะสองแง่แง่เกิดกับแง่ดับถามว่าเกิดตอนไหนก็มันก็เกิดอยู่แล้วโดยธรรมดามัน เขาบอกดับตอนไหนก็ดับตอนที่มันเกิดมานั่นแหละเกิดตอนไหนก็ดับตอนนั้นอ่ะคือเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องดับทั้งทั้งวิชาทั้งอวิชาวิชาก็เกิดดับอาวิชาก็เกิดดับนะแต่อาวิชาเกิดแล้วแม้ดับตัวลงไปเองดับดับตัวเองลงไปนะแต่ผลของอวิชาของความไม่รู้เนี่ยมันก็จะส่งผ่านต่อ ไปสู่จิตดวงใหม่ที่เกิดมารับใหม่ผลของมันก็คือตัวอวิชชาเองอีกนั่นแหละคือผลของมันเพราะความไม่รู้จึงเกิดความไม่รู้และไม่รู้ก็เกิดความไม่รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆสืบทอดตัวของมันเองเมื่อเกิดความรู้ความรู้ก็จะสืบทอดความรู้เนี่ยไปสู่จิตดวงใหม่เมื่อรู้ก็เกิดรู้รู้รูรู้ต่อไปอีกมันไม่มันก็เป็นการดับอวิชชาไปทุกๆขนาดรู้ขนาดไหนก็ดับอวิชชาไปทุกๆขนาดในเวลานั้นรู้ตัวแล้วก็ ก็การดับก็มันก็ดับมาในม้อถามว่าความรู้ที่เรารู้ว่าอกออากายเนี่ยเราเรียนผ่านมาแล้วมันดับไปแล้วไหมแต่มันยังสามารถส่งคุณสมบัติความรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้เราไม่สามารถกลับไปหลงหลงหลงในตัวนี้ได้อีงว่ามันอ่านว่าอะไรถูกต้องไหมแต่ในส่วนไหนที่ยังไม่รู้ส่วนนั้นก็ยังมีความหลงอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องนี้ยแต่ส่วนที่รู้แล้วเนี่ย ยังไงจะกลับไปหลงอีกมันมันไม่หลงเพราะนั้นพอรู้คือความรู้ที่เกิดขึ้นถึงแม้มันจะดับไปก็ตา ม, ม, มดับไปก็ตามแต่มันยังส่งส่งตัวความรู้เป็นคุณสมบัติไหมให้เราได้รู้อยู่ mm hmm. คือก็ไม่เข้าใจคนที่ถามว่าดับก็ไหนนี่หมายเอาถึงดับขาววอนใช่ไหม mm hmm. เมื่อจิตรู้นิพพานเมื่อไหร่ก็ดับใช่ไหมขาวอ mm hmm. ขาวอ ข้อต่อไปถามว่าเมื่อโกรธเกิดขึ้นแล้วดับอย่างไรดับอย่างไรคือเราจะเข้าไปดับอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอาการแห่งสภา På ไหวแห่งความโกรธดับอย่างไรใช่มันก็เกิดดับมันอยู่ใช่มันก็เกิดดับให้มันอยู่แล้วจ ะ, จะไปบอกว่ามันดับอย่างไรนี้จะถามประมาณว่าจะให้มันหายไปมากกว่าจะจะเข้าไปดับอย่างไรไ ใ, ในทำนองนี้นะเอาทีนี้เราจะตอบว่ายังไงเกิดความโกรธเกิดขึ้นยจะเข้าไปดับยังไงก็ พอเข้าไปรู้ว่ากาลังโปวดไม่ต้องดับมันก็ดับเองก็เมื่อความปวดมันดับเองโดยตัวของมันเองได้ไดสิ่งที่เราควรจะทําก็คือหนึ่งไม่คิดต่อจากความโปวดที่เกิดขึ้นสองไม่ห้ามความโปวดที่เกิดขึ้นเพราะเข้าไปห้ามยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ดับตามการที่เราอยากจะเข้าไปดับหรืออยากจะห้ามมันเพราะมันเกิดมาตามเหตุปัจจัยของมันจึงอย่าทําการคิดต่อจากเรื่องที่โกรธ อย่าอยากดับความโกรธอย่าห้ามความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นอดทนดูอารมณ์เห็งความโกรธที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ให้เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นดับด้วยตัวของความโกรธเองถ้าเราอยากเข้าไปดับความโกรธหรือว่าแบบว่ า, รวาเรากําลังอยากที่จะกลับมาเป็นปกติก็แปลว่าเราเป็นอุปทานหรืออุปานธรรใช่ <laughs> ถูกเนี่ยโยกเข้าสู่ประทานขันได้เลยมันก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อความปวดแล้วมันก็จะเพิ่ขึ้นเขึ้นเพ่เพราะเราก็อยู่คือเราไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดและปล่อยให้มันดับตามภาวะของมันปล่อยวางในความหมายของพระเจ้าคือไม่ใช่ว่าห้ามมันนะปล่อยวางคือปล่อยให้มันเกิดเลยแล้วปล่อยให้มันดับเลยนั่คือปล่อยวางนะอย่างเงี้ยถ้าคิดต่อการมุงแต่งต่อก็จะบรรส่งใช่ขยายเรื่อไม่ใช่ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจมันอย่างนี้ไม่เห็นะไม่สนใจไม่ได้ ถ้าไม่สนใจเวลาความโปวดดับเราก็จะไม่รู้เมื่อความโปวดดับแล้วเราไม่รู้ก็ความไม่รู้พครอบงำพระเจ้าให้เห็นครั้งเกิดให้เห็นทั้งดับเราบอกเอาแล้วมันอารมณ์ในความโปวดมันมันทำให้จิตเราฟุ้งซ่านคุณมัววุ่นวายทำไง adder, ยอมฟุ้งซ่านก่อนในเวลานั้นยอมวุ่นวายก่อนเพื่อที่จะเห็นความจริงของอารมณ์ยอมให้อารมณ์ AM, กระทบจิตก่อนบีบคั้นจิตใจก่อน ภาษาิบุตรพวกพครานั้นก็เจออารมณ์แบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เจอเจอเจอเหมือนกันถูกอารมณ์ีบขันในจิตเหมือนกันยอมก่อนเพื่อที่จะเห็นความจริงนะเจอศัตรูทำอย่างไรเกิดความโกรธต่อเขาควารใช้คุณธรรมข้อไหนครับความโกรธผู้เจ้าให้ใช้อะไรเมตตาแค่นี้แบบเมตตาไม่ง่าย แต่ที่นี้เมตตาไม่ออกทำไแผลเมตตาก็แผมันไม่ออกอ่ะมันมันเจอกันแบบรุกจ่ายหนหร้อนหน้าร้อนหัวร้อนขึ้นมามันเจอเจอกันแล้วมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอกันแล้วมันก็ดับองดูเอาลองไปเจอคนที่เราปวดจริงจริงดูซิแล้วแล้วไปจบเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างงี้ยดูซจะสุขใครจะสุขหรือใครจะทุกข์หรือใครจะยังไงลองแค่ทุตข์ฮะลองแค่ทุข์เราเราเน่ะจะทุกข์แค่ไหนอกจะแตกตายเลย ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, น้ณขณะนั้นไปก่อนถ้าเจอแล้วถ้าอารมณ์มันรุนแรงกว่าสติล่ะอพราะต้องหนีเตยออกมาหนีตัวเองออกมาก็าคือเอาเตยออกจากการศัตรูน ะ, ะบางทีเห็นศัตรูมันดูเฉยไปได้นะ <c oughs> ใช่มั้ยังไง <c oughs> จะเมตตายังไงไม่รู้ไม่เคยเจอัตัวเองไม่เจอกับตนเองไม่เคยมีรารนสถานการณ์นี้ต้องทํงไ่าจเอาแบบจังๆแบงนี้เนาะก็ต้องไปลองดูสักครั้งนึงเจอแล้วแบบอยากจะเข้าไปต่อยเลยใช่ใช่มีมีใช่เป็นขนานใช่เป็นขนานอันนี้ต้องเตรียมใจไว้ก่อนก็คือการแผ่เมตตาเตรียมใจไว้ก่อน การแผลไม่ตาคือฝึกแผลไม่ตาไปถึงเขานึกถึงหน้าเขาบ่อยๆไอ้แค่นึกถึงมันก็เริ่มมีมีความรู้สึกตอบสนองแล้วใช่ไหมที่จะ ก, กระทําตอบใช่ไหมล่ะอาตมานี่ขนาดที่บวชอยู่นี่แหละนึกถึงเขาเรียกว่าโกรธเก่าตัวเองเไงมันนึกขึ้นมาเองแบบเพราะมันฝังแค้นในใจอยู่อยู่ตลอดขนาดว่าเราเป็นพระนี่เราก็บอกเอ้ยมึงเป็นพระมึงจะมานั่งโกรธเครืองเขาทำไมอ่ะไม่ได้มึงมาทำกูก่อนกู กูต้องออกคืนแล้วก็นั่งวางแผนที่จะไปจัด ก, การมันคืนวางแผนมาสืบออกไปเพิ่มึงกูจะไปดักทงมีออย่างนี้จะไปหาปืนมาสักกระบอกโ น, น่นไล่มันตามมันไปถึงห้องโ น, น่นขนาดนั้นนะวางแผนในใจตัวเองนะกำหนดหมายไว้ว่ามันจะเข้าตอนไหนมันจะออกตอนไหน <c oughs> เพือจะไปโป้ไปสักนั้นเพื่อนกันนี่เองวันี้สุดท้ายเราก็เตือนตัวเองด้วยเ ม, มตตาผู้เจ้าบอกว่าเมตตามัานที่จะหักล้าง หรือพยาบาลที่จิตได้นึกถึงหน้าเขาก็แผดเมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมันก็ไม่ยอมหรอกจิตมันไม่ยอมแต่เราก็ต้องใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆขอให้ถึงความสุขความเจริญอะไรว่าจะให้ศัตรูมีความสุขความเจริญมันยังไงว่ามันขัดแย้งกันอย่างนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้แต่เรายอมทําเราเรายอมเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาทำอย่างนี้จริงๆนะทาแบบนี้เลยว่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อการละกันเลยอย่าได้เบียดเบียนชีวิตละกันเลยจงรักษาตันให้พ้นจากทังะ สุดท้ายพอแผ่เมตตาไปอย่างเงี้ยอีกสัพพอรหนึ่งก็บอก <S <S มึงสึอกททออกไปพ่าะไรที่จะบอกไปมันก็จะพลิกกลับมาอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างเงี้ยดูประมาณเกือบเดือนจิตถึงจะยอมลงภาภาพกับการแผ่เมตตามันจะ อ, อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนเกิดเป็นกระแสแห่งความเมตตาออกมาทิกินึกถึงหน้าเขาทีไรก็ไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แค่อยู่ในชั้นของสมถนในชั้นแค่แค่การปรับจิต ให้สงบจากอารมณคือเมตตานี่ใช้ผลได้จริงๆแต่ต้องซ้อมกันมากๆเลยเนะี่ยพอไปเจอจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้อาจจะไม่เป็นสุขเป็นสะุขเกินเนี่ยนะเจอแล้วาซ้อม อ, อยู่แล้วบังเ อ, อิญเจอแบบนี้ทไงก็รีบเอาคำซ้อมนะมามาดูใจตัวเองบ่อยๆรีบๆเอาสิ่งที่ซ้อมมามาใช้เลยใช้เลยแล้วก็<ช>อย่าพยายาม<ช>เผชิญหน้านะรีบๆหา่างอย่างน้อยเราก็จะได้ใช้มาเป็นบทบทเรียน่ะ ใจเรายังไม่มั่นคงพอเราต้องพยายามฝึกแผ่เมตตาออกจากใจจริงๆจึงได้เห็นคำตอบว่าแพ้ที่จริงแล้วการแผ่เมตตามันไม่ได้ทำให้เขาไปสุขหรอกมันทำให้ใจเราไปสุขต่างหากไม่ให้บุ่นไวในขณะนั้นให้สงบเย็นในขณะนั้นเจอศัตรูมีศัตรูนะเเกิดความโกรธต่อเขาควรใช้คุณธรรมข้อไหนเมตตานะเมตตาเยอะๆเน้อ ิละละิตพ่อต่อไปถามว่าการพูดแบบไหนเรียกว่าการนินทาครับนินทานี่พูดแบบไหนจึงๆจะชื่อว่าเป็นการนินทาฮะพูดพูดในแง่ร้ายพูดให้ร้ายพูดป้ายสีพูดอันนั้นคือนินทา <laughs> แล้วเอาเรื่องของคนอื่นมาพูด <c oughs> ตามความเป็นจริงช <c oughs> ื่อว่าเป็นการนินทาไหม ไม่แล้วเจ้าก็น่าจะพูดถึงคนอื่นเจ้าคือยินทาน<ะ>ต้องอยู่ที่เจตนาหรือป่าเพราะโอเคถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ว่าถ้าเจตนาของเรามุ่ง <ไป S 1> ที่จะไปเพื่ออคุสนให้คนอื่นได้รับความเสียหายมันก็จะกลายเป็นการยินทานก็เป็นการยินทานบุคคลที่นําเรื่องราวของคนอื่นไปพูดต่อคนที่สองโดยมุ่งที่จะให้เขาได้รับความเสียหายจัดอยู่ในเมตตาหรือไม่เมตตา ไม่เมตตาใช่ัหมเมื่อขาดความเมตตาแล้วสิ่งที่พูดไปก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็คือนินทาแบบไหนจึงเรียกว่าการนินทาคือการพูดเพื่อให้คนอื่นได้รับความเสียหายอย่างนั้นก็คือการนินทาถามว่าพระโพธิสัตว์ต้องทำกรรมฐานจเจริญปัญญาทุกภพทุกชาติไหมครับ โพธิสัตว์ประเภทที่เป็นบารมีอ่อนๆเขาเรียกว่าบารมีธรมรมดาไม่ต้องทาาํากรรมฐานไม่ต้องเจริญปัญญาแต่โพธิสัตว์ที่เริ่มมีอุปบับารมีอันนี้ต้องมีกรรมฐานและเจริญปัญญาเพื่อปกป้องไม่ให้ตกไปอยู่ในภูมิชั้นต่ำแต่บารมีชั้นทั่วไปไม่ต้องทาาํากรรมฐาน ทำแค่คุณงามความดีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแค่แค่ไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องทำกรรมาฐานคือไม่มีฐานอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นอุปบา ร, รมีเนี่ยคือต้องมีกรรมาฐานเนต้องมีปัญญาเนะี่เพื่อคุ้มครองตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแต่ในชั้นชั้นบา ร, รมีธรรมดา ย, ยังยังไปนรกได้อยู่ยังไปสู่กมลสัตว์อริชานได้อยู่ไปเกิดกมลเปลี่ยนพิภิษัตร์อสุ ร, รกายได้อารเปบารมีคือไรก็ก็สร้างความดีเส้นทางแห่งการบาเพ็ญศีประการให้กับคนอื่น ทานศีลาบารมีในคำว่าสัจจาอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสิิประการเนี่ยเป็นเส้นทางของโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญหมายถึงว่าในชั้นของาบารมีทั่วไปคือให้ทานปกติอุปปาบารมีก็กำหนดชั้นของการให้ทานเพิ่มขึ้นอีกว่าตนเองแม้จะไม่มีใช้แต่เห็นคนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนก็เสียสละของของตนเองไปให้ของคนอื่นเขาให้เขา ดีดีอยู่ดีมีสูตรเห็นผู้ดุจอยู่ดีมีสุตและสบายใจก็เผื่อแผ่ไปเผื่อแผ่ไปสละออกไปสละออกไปอุปาปาลมีแต่ในชั้นบาลามีธรรมดานี้ยังแค่ให้ให้ธรรมดาแต่ก็ยังมีความหวงแต่ก็ยังมีให้อยู่ให้อยู่หวงอยู่ให้อยู่ให้หวงอยู่อุปาปาลมีให้ไม่หวงปามาธรบาลมีให้แบบอย่างยิ่งคือสามารถควักดวงตาให้ก็ได้ ถ้าปรมัฏฐานบาลมีก็ดูอย่างพระเวสสันดร อ, อันนี้คือปรมัฏฐานคืออย่างอย่างสูงสุดแล้วนะย่างยิ่งนะต้องทํากรมารมฐานเจริญปัญญาทุกภพทุกชาติไหมถ้าในชั้นของปรมัฏฐาบา ร, รมีต้องทําทุกภพทุกชาติในชั้นของอุปปรามีก็ทําแต่ทําแบบอ่อนๆทุกภพทุกชาติแต่ในชั้นของบาลมีธรรมดาทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้แล้วแต่บางชาติเจอคนที่แนะนําให้ทํากรมารมฐานก็ทํา คนที่ไม่ได้แนะนำให้ทำกรรมฐานก็ไม่ได้ทำก็คือเ ป, เ, ป เ, ปเป็นไปตามวิถีกรรไปก่อนชั้นทานบาลมีธรรมด า, มานะโจ้อาสงไข่หนึ่งอาสงไข่ที่สองค่อยมาเจอเป็นอุปะบารามีในชั้นที่จะได้เจอแต่คนที่แนะนำในทางที่ดีอย่างเงี้ยก็ได้ทํากรรมฐานเจริญปัญญาแล้วก็วาบา ร, รมิทธาบารามีนี้ต้องทําแน่นอนติดต่อกันทุกพบทุกชาติเลยในอาสงไข่ที่สามที่สี่ต่อเนื่องกันเลยนี่ไม่ขาดตอนต้องเต็ม ้มทัมดถามว่าฤทธิ์ทางใจกับฤทธิ์ทางกายคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรฤทธิ์ทางใจเรียกว่ามโนมายติฤทธิธ์ทางกายเรียกว่าอภิน ญ, ญาฤทธิ์ทางใจที่ว่ามโนมยิทธิคือรู้ได้ทางใจนั่งอยู่ก็สามารถกําหนดจิตเพื่อรับรู้รับทราบในสามแดรโลกธาต เทวราชันนี้อยู่แบบไหนเทวราชันนั้นอยู่แบบไหนอันนี้คือฤทธทางใจนั่นอยู่ที่นี่ก็รู้ได้ฤทธทางกายคือหายตัวจากที่นี่ไปปรากฏอยู่บนเทวลโลกไปถามไถ่ทุกสุขอยู่บนเทวโลกหายตัวจากที่นี่ไปปรากฏอยู่บนอยู่ในนรกไปถามไถ่ทุกสุขไม่มีแนะน <laughs> อนจะมอกอสุขดีไหมไม่มีไม่ถามแล้วไอ้ทุกไหมแต่ดูสภาพแล้วไม่ต้องถามแล้วทุกไหมแน่นอนอ่ะ โ, โหมันทุกขนาดนี้ได้เหรือถามพญายมใช่ท่านพระโมคคลลานะไปที่นั่นไงพอพระโมคคัลลานะไปที่ไลไฟนระกต้องด่สาสัตว์นรกบอกว่าท่านมาบ่อยๆนะนิะมนต์ท่านบ่อยๆหน่อยพญายมบอกว่าอย่ามาบ่อยไฟเรามันไะม่ลุกไครไม่ติดนะโมคคัลลานะก็เลยไปเห็นมาก็นะมาเล่าที่คนฟังว่านรกเป็นอย่างนี้ทุกบร้อนอย่างนี้ไปดูอีกให้หน่อย ท่านบอกไปไม่ได้พยาโยงไม่อยากให้ไปแต่พวกในนรกบอกให้ไปจะเอายังไงแน่ดินตลอดิมนตลอดก็บางครั้งการนิมอนก็บางทีก็ความเหมาะสมมันเอบางคนอยากให้ไปบางคนไม่อยากให้ไปลิฟท์ทางใจกับลิฟท์ทางกายเนี่ยคือข้อแตกต่างทางใจคปอนั่งอยู่นี่ก็รับรู้ับทราบได้ทางใจคือไปด้วยตัวเองเออทางทางกายคืไปด้วยตัวเอง ถามว่ารักโลคโกรธหลงมีในพระอริยะไหมหากจะเป็นรักโลคโกรธหลงแบบแบบงมงายไม่มีในพระอริยเจ้าแต่ลักโลคโกรธหลงมันเขาจะไม่ใช้คาว่าคำคำคำนี้กับพระอริยเจ้าเพราะคำคำนี้จะใช้ในชั้นของพระอริยะไม่ได้แต่สภาวะอาการมีเช่นผู้ได้เจ้าบอกว่า ความลับอันเกิดจากเรืออะอะไรความลักอันอาศัยเรือนความโกรธอันอาศัยเลือนอย่างเ้ยความหลงอันอาศัยเรือนแต่ไม่ใช่รักโลบโกรธหลงในชั้นชั้นที่เป็นกิเลสไม่ชั้นอาสวะอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็เรียกว่าอาศัยเรือนเช่นพุทธองค์ไปเห็นสองเท่าตาใหพรามนายนายพรามกับนางพรามเนี่ยเห็นปั๊บเกิดความลักในสองตาใหญนี้ทันทีเลยความรักเกิดขึ้นมาเลยเพราะอะไรข้อสอนตาใหนี้เคยเป็นพ่อกับแม่ ติดต่อเนื่องกันมา500ชาติก็เลยเรียกสองตายายนางพรามกับนายพรามนี้ว่าพ่อแม่คนในชาวเมืองเขาก็มาพูดคุยกันว่าเอ้าก็พ่อผู้ได้เจ้าคือสุธโธทนะแม่ของโภงก็นางสิริมหามายาทําไมมาเรียกสองตายายนี้ว่าเป็นพ่อกับแม่ล่ะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราเคยอยู่ในอ้อมโกอยู่ในมือของสองตายายนี้แต่อดีตชาติ500ชาติมาจึงเรียกเพราะความรักอันอาศัยเรือนนั้น เขาเรียกว่าเป็นความรักแบบแบบอะไระคุ้นเคยในภพชาติภูเบกกะตะคุณยะตาความคุ้นเคยในภพชาติอย่างเงี้ยมีในแม้แต่พระพุทธเจ้าในพระเดียสโส ม, มีแต่ไม่ใช่ความรัก โ, กโรคปวดหลงแบบงม ง, งายแบบสืบต่อพบชาติแบบอาสาะแบบหมักดองอะไรเพื่อ น, นั้นไม่ใช่ทีนี้ภาพของคนมองคือ พระอริยเจ้าหลายตัดความรักได้หมดสินไม่มีความรักเลยใช่จริงไม่ใช่พระอริยเจ้ารักคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะรักคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดรักโจรเท่าเทียมกับคนประพฤติธรรมเอาจริงจริเป็นอย่างนั้นนะแต่ความรักอันอัศรย์นั่นอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบนึงคือชั้นพิเศษคือชั้นที่เราอธิวาสนาก็ดักว่าร์นเกี่ยวกันอย่างนี้ยมาในภก ถามว่า <c oughs> มีวิธีแก้รักโลภโกรธหลงหรือไม่ครับ <c oughs> ก็มีสิทำไมังไม่มีแก้โดยการที่รู้รู้ในกายในใจของตัวเรานี่แหละรู้อารมณ์นี่แหละคือรักยังไงไม่ให้ถลําลึกจนกลายเป็นความเสียหายโลภยังไงถึงจะไม่นำมาซึ่งาบาปอากุศลต่าง โกรธยังไงที่จะไม่ให้เป็นการทำลายความรู้สึกของคนในใจแต่ละคนหลงยังไงไม่ให้เกิดความงม ง, งายเราก็ต้องรู้จักใช้ความรักความโลภความโกรธความหลงโดยตั้งอยู่ในขอบเขตรักยังไงก็ได้ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลโลภยังก็ได้ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลโกรธยังไงก็ได้ขอให้อยู่ขอบเขตของศีล หลงยังไงก็ได้ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลรักยังไงก็ได้ขอให้อยู่ในขอบเขตของสมาธิรักแบบมีสมาธิทําเป็นไหมอ๋อกัดทัดเดียวใจเดียวในสมาธิมั่นคงอยู่ในอันเดียวนะฮะโลภยังไงแค่อิมีสมาธินะมีสมาธิในขณะที่โลภไม่ให้จิตกวัดแหวงสัตว์สายไปฟุ้งไปตามอาการความโลภโกรธยังไงก็อยา่ยาอยา่ยาอยอย่าย่าฟุ้งคือ ฟุ้งก็ฟุ้งไปเถอะแต่ว่าตั้งใจดูความโกรธมีสมาธิในการที่จะดูความโกรธที่เกิดขึ้นหลงยังไงก็ตามก็อย่าอย่าหลงไปตามเป็นกลายเป็นความงมงายจนมีให้มีสมาธิเขาเรียกว่ามีจิตตั้งมั่นในขณะที่หลงเขาบอกจิตตั้งมัน่นมันจะหลงได้ยังไง mm hmm. ก็ในเมื่อเรายังไม่สามารถทําลายความหลงได้เราก็ต้องพยายามสร้างจิตให้ตั้งมั่นเพื่อความหลงปากฏไม่ให้ใจค้อยตามอากอารแห่งความหลงพอเข้าใจไหมเนี่ ถ้าเราสามารถควบคุมความหลงได้เราก็ไม่ต้องมาสร้างสติสมาธิอะไรประเภท น, นี้ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจหลงค้อยตามอาการอารมณ์เหล่านี้มันมีอยู่แต่เราจะอยู่ในขอบเขตเข้าใจไหมศีล ส, สมาธิแล้วสร้างปัญญาขึ้นมาในความรักรักแล้วทุกไหมรักแล้วเป็นยังไงโลภแล้วทุกไหมโลภแล้วเป็นยังไงโกรธแล้วทุกไหมโกรธแล้วเป็นยังไงหลงแล้วทุกไหม แล้วพุกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปัญญาขึ้นมาเรียนรู้พวกนี้แล้วพยายามรู้และเข้าใจอามณ์ทั้งหมดเหล่านี้แล้วใช้ใช้สติปัญญาตัดสินลงไปในสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยว่าเราควรจะวางตัววางใจอย่างไรต่อสิ่งที่มันมีอยู่นี้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้ดึงใจชักลากใจเราไปหรือว่าไปป่อตัวเป็นมูลเหตุแหงความพุกความโรคความพดคือความโรคความปวดความันจะมีมันยังไงก็มีมันมีอยู่โดยตามภาวะของมัน แต่เราอาศัยศีลสมาธิและปัญญาทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้หรืออยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือการแก้สุดท้ายจิตเราจะเข้าถึงมีมุติหรือไม่มีมดุดอยู่ที่ขั้นของปัญญาที่เรารู้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงเท่านั้นเองแต่เราจะไปดับความลักความโลภความปวดความหลงให้หมดสิ้นไปหมดสิ้นไปอันดับไม่ได้ยังไงก็ดับไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ดับนะแต่พระองค์แก้ไขจิตด้วยศีลสมาธิปัญญา แล้วก็ทำกิจให้พิมุตให้พนออกมาจากสิ่งเหล่านี้คำว่าพนไม่ใช่แบบไม่มีสิ่งเหล่านี้ใช่มันแยกออกจากกันใช่มันแยกออกจากกันเงาไมอยู่ที่ไม่ได้ระตกกันใช่เป็นอย่างนั้นหมดคำถามี่ดีนะฮะถามอะไรว่าขอขออาจารย์แนะค่ะเวลาที่เราไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง แล้วมันมันไม่ถูกต้องเราควรจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพื่อที่เผชิญกับอารมณ์เราเองแต่ถ้าเราใช้เหตุการณ์นั้นเป็นเครื่องฝึก mm hmm. ก็จะเกิดปัญญาอย่างยิ่งแต่ถ้ารู้ว่ากําลังใจเรายังอ่อนอยู่หลีกนีออกมาก็จะช่วยได้เยอะ mm hmm. แต่ถ้าต้องการที่จะเสริมความแก่กล้ายแห่งอินทรีย์ก็อยู่อย่างนั้น mm hmm. ต่อไปเรื่อยๆ เ, เ, เพื่อให้จิตของเราฝึกฝึกกับความจริงที่ประสบพบเจอ คุณศ า, า, า, าสตรครับทํามในรักษาไห้คลาดอย่าอย่างเวลาทา ง, งานเนะี่ยจะมีกิจกรรมงานที่มันไม่เหมือนกัน <ừ> ในกิจกรรมที่มันต่างกันในกิจกรกรมบางกิจกรรมเราเราเราเราไม่ชอบ วิธีการวิธีการเป็นวิธีการเดียวแต่ว่ามีหลากหลายวิธีการที่จะทำให้มันได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทําวิธีการที่เรากลัวหรือว่าไม่กล้าที่จะทำสมมติเรากลัวว่ามันจะไม่เรามุ่งเรามุ่งผลลัพธ์ที่ที่ทอนเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายวิธีการและวิธีการบางวิธีการเราไม่ชอบไม่ชอบเราไม่ทําเราเลือกที่จะไม่ แล้วจากงานที่เรารับผิดชอบกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางที่เขามอบหมายให้หรือเปล่ามันสอดอต่อสนองถ้าสอดคล้องก็ไ ม, ไ, ไ, ไม่เป็นไรไม่ได้แต่ถ้ามันไม่สอดคล้องเลยนี่เขาไม่สอดคล้องไม่ได้ต้องต้องต้องตรงกับเหตุปัจจัยความสอดคล้อง ท, ที่ที่ควรจะเป็นเพราะว่าการจาได้เราเราไม่ได้ทำงานค น, นเดียวเราทำงานทั้งองค์กร แตเราคิดจุดหนึ่งก็เรียกฟันเฟืองหรือของการในองค์กรที่จะทําให้การขับเคลื่อนไปนนถ้าเราดึงตัวเราออกมาต่างหากทางานเหมือนกันหมุนเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนถ้าออกมาจากเกี่ยวตัวนั้นแล้วมันก็มันก็จะ ม, มันไม่ไปด้วยกันพอดีว่าอันนี้มันเป็นการทํางานแบบแบบคนเดียวครับเนอถ้าเป็นคนเดียวก็ได้ก็แต่ถ้าการทำงานองค์กรพวกผต้องนั่นหมายถึงการที่เขาให้เราเป็นเอกเทศทาง ความคิดในการที่จะกระทำแล้วมีอิสระแต่ว่าเนั้นก็ได้ถ้าเป็นอิสระใ่หมวิธีการที่แบบถูกกำหนดมาแล้วว่าแบบนี้มันดีสุดะอไอ้เนียเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบวิธีการแต่เราคิดว่าเราสามารถพัฒนาวิธีการนั้นด้วยวิธีการของเราได้มโดยอาศัยวิธีการโดยใส่โดยใส่สิ่งที่เขามอบข้นมาแบบแบบนนแล้วก็พัฒนาเขาขึ้น้วยวิธีการของเราใช่แต่ว่าผลลัพธ์มันก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิด แล้วใ น, ในการกี่ผลลัพธ์ไเกิดคนคนจะเห็นช่องว่างผลลัพธ์ที่มื่ผลัพธ์ไม่เกิดเขาก็จะมงมันไม่ใช่ อ, อย่าีครับเราก็รู้สึกมันก็มีหลากหลายทัศนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้านนะเปิดรับทัศนะในแง่ของเราแค่ไหนถ้าเรากระทาอะไรก็ตามแม้จะดีในส่วนของเราเถ้ามันไม่สอดคล้องกับเขามันจะเกิดความขัดแย้งความขัดแย้งเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าการทํางานอันตรายที่พูดต่อไป ร้อยับเกิดเรมถึงจสูดได้ไม่ใช่ ต, ต้องตใไปใ น, ในแนเดียวกันววใช่ใช่พูดให้เจ้าสารเสริญความป้องเคียงความเป็นไปในอันเดียวกันแม้สมมติในพุทธบริษัทสี่เนี่ยในบริษัทเนี่ยบริษัทของอุบาสม ควรทำยางไรบริษัทของบาสิกาควรทอย่างไรบริษัทของพิสุควรทอย่างไรบริษัทของภิษุนีผู้ศรีนีควรทอย่างไ ร, ร, งงไรแต่ละคนมีมีข้อแตกต่างในความเป็นอยู่ของตนแต่ทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่ที่ตัวเองพึงกระทาในหน้าที่ฐานะของผู้สาในใอกชนถ้าเป็นฝ่ายของคารวาตคือบาสุบาสิากาบริษัททั้งสองเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลปัจเจ4ให้กับภิสุสงพิยสงก็ต้องเป็นที่ตั้งแห่งการ ทำบุญของชาว บ, บ้านแล้วก็ประพฤตนตนให้อยู่ในขอเบเขตํรรมายินแล้วก็ชำระ ก, กิเลสตัวเองไปบางคนบอกว่าทิศทางหรือแนวทางอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาบางท่านบอกว่าการการสร้างการทำเาเรียก ว, ว่าทำห น, าหน้าที่ของพุทธบริษัทในแง่มุมที่เขาคิดว่าน่าจะดีโดยการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา ในแง่ของการปฏิสีต์และที่หน้าที่ที่จะให้กับให้พิสูจเนี่ยดำรงอยู่สร้างโบสถ์ร้อยล้านสร้างวิหารร้อยล้านสร้างพุทธรูปพันล้านอะไรประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อดึงใจคนเข้ามาสู่ศาสนาตั้งมันสืบทายทอดออไปมันเป็นการทําหน้าที่แบบผิดวิธีอย่างหนึ่งนะแต่ก็ยังอยู่ในหน้าที่ของเขาคือให้ปฏจสีต์คือต้องการเชิดชูศาสนาใช่ว่าทิศทางมันไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับหลักของที่พงศ์สงบรามไหม ถามว่ามันปอให้เกิดความเสียหายเฉพาะสิ่งที่เขาทำไหมไม่มันกรเทิอนท้งหมดเลยทั้งฝ่ายภิกษุภิกษีบาสุทธทั้งหมดเล ย, ท, ย, ท, เลยที่จะต้องต่างแก้กันเพื่ออธิบายนะทีนี้ถ้าพูดง่ายๆส่วนดีเช่นในฝ่ายภิกษุแบ่งเป็นสองประเภทอารัญวาสกับค า, ามว า, าวาสอรัญวาสคือกลุ่มอยู่ป่ากประพฤติปฏิบัติกรรมฐานคามาวาสคือส่วนทีมั่งคู่ประกอบพิธีกรรมมีความเป็นอยู่ เดี่ยวพร้อมกับชาวบ้านเป็นที่เรียกว่าเป็นหลักลกิจจักใจให้ชาวบ้านนําพาชาวบ้านประกอบพิธีกรรมตามความต้องการที่ชาวบ้านต้องการเราเป็นก็เราเป็นหลักและแรงบรนลัยใจให้ชาวบ้านมีที่ยึดพึ่งนหลักลกิจหลักใจอีกไฟหนึงคือไฟอรันยวาตูปาต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปไฟยูปาก็สร้างหลักการทางข้อปฏิบัติสายกรรมาฐานหรือเรียกว่าสายปา่า หลักบ้านก็คือสร้างวิธการอะไรต่างๆนานามากมายขึ้นมาจูงใจชาวบ้านจนกลายนําไปสู่การปลุกเสกเหล็ยันทําวัตถุมงคลขึ้นมาการความขัดแย้งเกิดขึ้นมันไม่ตรงกันสายปานคือจะเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวสายบ้านก็จะสารเสริญแตบบ่น้ำมนสายสินอะไรที่ข อ, องพิเศษของคุ้มคลองของป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคือพอเกิดความขัดแยง้งัขึ้น มันเกิดทัศนะิยมัติในการแยกส่วนโยมของฝ่ายพระบ้านก็เป็นฝ่ายพระบ้านก็บอกพระบ้านดีโยมของฝ่ายพระป่าก็ยึดถือฝ่ายพระป่าว่าฝ่ายพระป่าดีฝ่ายพระบ้านเอาเงินฝ่ายพระป่าไม่เอาเงินพระป่าดีกว่าพระบ้านไม่ดีพระบ้านดีกว่าพ่อพระบ้านอยู่เออขัดแย้นกันไปเย้งกันมาศาสนาเราไปไม่ได้ศาสนาเราอ่อนแอมากดี หากเป็นความขัดแย้งมันก็ไม่ดีฝ่ายพิสูจที่ทะเลาะกันในเวลานั้นในเมืองโกสัมทีทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความเห็นว่า <c oughs> ตนเองไม่ถูกตัวเองถูกตั ว, ตวนั้นไม่ถูกตัวนี้บอกว่าเราถูกเขาไม่ถูกอยู่งกกอเองเี้ยทะเลาะกันเพาอย่างเงี้ยเลยแตกกันจนพุทธเจ้าเหอร์นานจจนยจะ่หนีไปผมไม่ได้ตัดสินมากส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดแต่คมบอกว่าพวกเธอจงสามาสามัคคีกันเถอะทั้งถูกทั้งผิดคือมันเป็นเรื่องปกติ คนเรามีความถูกความผิดอยู่โดยปกติอยู่แล้วอย่าไปเอาความถูกหรือความผิดมาเป็นแง่มุมในการที่จะแบ่งแยกหรือสร้างทีในการแต่งแยกการสมานสมามัคคีกันหมายถึงว่าทำถูกแต่อย่าไปสร้างทิฐิขึ้นเพื่อแยกแยกถูกออกไปจากสิ่งที่มัเป็นอยู่เราเอาผูกเข้าไปอยู่ในส่วนผิดเพื่อให้ส่วนผิดเขาเห็นความผูกแล้วก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยภิกษุที่ทำฌาน ก็จะเพ่งภิกษุที่ศึกษาป ร, ริยัติธรรมว่ามัวแต่เรียนแต่ตำาราภิกษุที่เรียนป ร, ริยัติธรรมก็เพ่งภิกษุที่ทาําฌานสมาธิในป่าว่าพวกหลับหูหลับตาเฉยเฉยจะไปรู้เรื่องอะไรเราเรียนจบคำภี์นี่เราจบอระโยคเก้าเนี่ยหลักหูหลับตาเฉยเฉยจะไปรู้เรื่องอะไรไอ้ไอ้ที่นี่ก็บอกว่าไอ้พวกเรียนกิดคำภี์บาลานปา่าเราเนี่ยรู้ในฌานทั้งหมดรู้ในทํางคำสอนพระเจ้าทั้งหมดไม่เท่าเรา พอเราเป็นผู้ปฏิบัติเอาอย่างขัดแย้งเลยคนระับพระพาหิยะไม่ใช่พาหิยะพากุละหรือในประเภทนะี้พระพ า, าุละหรือพระอะไรที่เป็นหัวหน้าพระสายสายปฏิบัติในป่าก็เลยบอกว่าท่านจงอย่าเพ่งโทษภิกษุผู้เรียนปริยัติและภิกษุผู้เดียวและจงอย่าเพ่งโทษภิกษุผู้อยู่ป่าพวกเธอทั้งหลายจงสมาสามัคคีกันแลกเปลี่ยนความรู้กันภายใน มันมีปัญหาใ้มันมีมาในในคําพุทธกาลเขาจึงมีการให้บอกให้สมานสา ม, มีทีนะหมายถึงบามงคนมีส่วนส่วนเป็นเอกอเทศของตัวเองก็จริงมีลักษณะทัศนคติของของตัวเองก็จริงอย่าแต่ว่าการทํางานอย่างให้เกิดเป็นความขัดแย้งภายในองค์กรมันจะไม่ดีเพราะเหมือนกันต้องอยู่ตรงกลางตึงไปก็ไม่ดีใช่ความพระอะไรพระ ที่บรรลุศินธวากรีเดชเป็นพระอรหันต์แล้วทัพพระมารดบุตรเนี่ยสินธสากรีเดชเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้หลีกนี้ตัวเองอยู่โดยเฉพาะตนท่านก็ไปหาพระเจ้าลดกาบทูลพระเจ้าพาก้าพระองค์ขออาสารับใช้สมพระเจ้าข้าพระอรหันต์นะแต่ทาทุกอย่างรับใช้สมสมคื อ, อผู้ที่บวชเข้ามาแม้เป็นมุรุชนก็สามารถใช้ภิกษุที่เป็นอรหันต์เนี่ยทัพพระมารดบุตรนี้ได้ยอมให้คนทั่วไปใช้สายใช้ตัวเองคือยอมรับใช้ต่อสม ไม่ได้หนีออกจากสังคมสมศิ้นอาสาบกิเลสแล้วก็ตามยิ่งคนที่ศิ้อาสาบกิเลส แ, แล้วนั่นแหละคือจะไม่มีอะไรทําเพื่อตัวเองอีกแล้วย่อมต้องทําเพื่อคนอื่นเพราะคนที่มาในสิ้ท้ายภายหลังเนี่ยจะได้อาศัยภิกษุที่ศิ้อาสาบกิเลสเนี่ยเป็นแนวทางเป็นเครื่องนําทางเป็นผู้นําพาไปสูส่มสรงผลที่ถูกต้องหรือคนใดก็ตามที่มีความรู้ความสามารถในองค์กรยิ่งจะต้องอยอมรับใช้ หมายถึงว่ายอมตัวเองให้เป็นผู้รับใช้คนในองค์กรมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเราเก่ง ก, ก, ก็ก็ไม่ได้ได้ไม่ได้ความเก่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวตอนที่เดินป่าด้วยความที่อาจารย์มาเคยชินกับการเดินป่าทามันก็เดินจำเอาจะเอาเอาจารย์ไปนะเฮ้ไอ้คนมันไม่คุ้นชินกับการเดินป่าเลยรอก่อนอาจารย์รอ ก, ก่อ น, าานรอก่อนรอก่อนอะไรประเภทเนี้ย เออเราก็ต้องรู้จักรอรู้จักเขาเขาบ้างอเราจะเดินนำหน้าไปก็ไปได้เพพาะเราอ่ะแต่เขามันตามก้นมาไม่ทันจะว่ายงก็ต้องนั่งรอบางทีจิบกาแฟหมดเป็นแก้วัน่จะมาถึงกันเพราะบางคนก็ต้อยต้อยต่อยอยู่นั่นแหละนะไม่เป็นป่าก็เลยได้นอนกันค้างคืนในป่าก็ดีเรได้รู้จักบรรยากาศในป่า ก็เป็นเจอทางรองนี่คือถ้าเราเป็นกลุ่มใหญ่นะแต่นอกจากว่าเราอยู่เฉพาะตนเช่นอาตมาเดินปา่าเฉพาะตนเองเนี่ยอาตมาก็ไปด้วยตัวเองแบบสบายๆบายกําหนดจากออกจากดอยนี้ไปถึงบ้านเย้าที่จะเดินข้ามกันไปประมาณเจ็ดแปดกิโลแต่จริงๆแล้วเจ็ดแปดกิโลเป็นเป็นกิโลกิโลของคําพูดแต่กิโลจริงยังมันไม่ใช่เจ็ดแปดเราูแล้วอตกเป็นสิบแหน่ดูแล้ว ก็เดินไป ก, ก็ถึงที่หมายนะั้นด้วยด้วยการกําหนดหมายของเราแล้วก็ไปถึงได้ไปเฉพาะเราแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ตามนั้นเลยมันยืดเวลาออกไปอีกครึ่งต่อครึ่งเลยนะจากที่ต้องไปถึงบ่ายสามเนี่ยไปถึงครึ่งทางไปถึงค่าแล้วมันเดินต่อไปอีกไม่ได้เแล้วไม่ได้มันต้องรอกันขนาดคนระับหากเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ คนเก็บเวลาครนะับนะ